วันนี้เป็นวันที่แปดพฤจิกายนพุทธศักราช2558้าห้าสิบดวันนี้เป็นวันกฐินสามัคคีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธิ ด, ด, ดามาตพร้อมกับหม่อมหลวงสาราลีกิตยากรน้องสาวของพระองค์ เป็นประธานทอดผ้าพระกฐินที่วัดป่านาคำน้อยของเราเริ่มก็ประมาณสักเกือบหกโมงเพราะเครื่องดีเลย์ก่าจะมาถึงจตุจักเจะเดจมาถึงวัดของเราได้เกือบค่ำก็พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมก็อบอุ่นหนาแน่นทั้งแต่เมื่อเช้า เมื่อเช้านึ่งเขไปคาดคิดป่ากฏจับมามากถึงขนาดนั้นมามากจริงคิดว่าตอนเย็นพระองค์เสด็จก็รู้สึกว่ามากจริงๆและกังานของพวกเราก็รู้สึกว่าราบรื่นเรียบร้อยในสายตาที่เรามองเห็นตั้งแต่ งานเสร็จมาเดี๋ยวนี้แหละจึงย้อนหลังแต่ว่าไปข้างหน้าอีกพุ่งในเช้าสิ่งไหนที่มันขาดตกปกพ่องพวกเราก็ยังจะต้องทบทวนกันอีกรอบหนึ่งแต่ที่มองมองดูแล้วก็กรู้สึกว่ายังไม่มีอะไรการรับเสด็จข่าวนี้ก็รู้สึกว่าเป็นที่พอใจสำหรับผมเอง สำหรับพระลูกหลานทุกองค์ก็รู้สึกว่าให้ความช่วยเหลือกันดีสดตรอดถึงพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าข้าราชการทุกหน่วยงานทุกระดับชั้นท้องถิน่นทั้งจังหวัดทหารตำรวจ พี่น้องประชาชนพ่อค้าประชาชนทั้งหลายทั้งปวงก็รู้สึกว่าให้ความอบอุ่นความพร้อมเพียงสามมาัคคีกันดีมากแต่งานพวกเราวันนี้มันค่าเก็บของอยังไม่ได้เก็บของอะไรแต่วันพรุ่งนี้่ะช่วยๆกันนะเก็บพวกเต้นพวกอะไรให้เข้าที่เข้าทางช่วยกันให้เรียบร้อยนะ่ะ คนลำไม้คนละมือตรงไหนที่พอจะเก็บไว้โต๊ะเก้าอีอะไรเกี่ยบไว้ให้มิดชิดให้ถูกต้องตามที่เราเคยจัดการกันมานั่นะทำความสะอาดเรียบร้อยตลอดถึงน้ำเราได้ทำยังไงก็ให้เก็บไว้ให้เข้าที่เข้าทาง ของใช้ทุกอย่างตลอดถึงหนังสือเอ็มพสามแล้วก็เก็บไว้ให้เรียบร้อยทุกอย่างอันไหนเป็นของเขาอันไหนเป็นของเรายืมของยืมมามีไหมจากวัดต่างๆเราจะใช้ยังไงทำยังไงก็ให้ช่วยกันตรวจตราดูให้เรียบร้อยแล้วก็ แต่ถึงยังไงการทําการทํางานหลวงพ่อเนี่ยอดตกกังวลเป็นห่วงไม่ได้นะเรื่องพระอย่าทะเลาะวิวาทกันอย่าให้มีปัญหาอย่าสร้างปัญหาอย่าให้มีเรื่องราวตอนนั้นแหละการทํางานก็คือทําการทํางานใครทําหน้าที่อะไรบอกกล่าวกันแนะนํากันบอกกล่าวกันให้รับผิดชอบในเมื่อได้รับ คำสั่งออกไปแล้วก่อนนะ่ะถ้าไม่รับคำสั่งก็อย่าไปรับในเมื่อรับแล้วนะ่ไม่ปฏิบัติตามนั้นนะ เ, เสียหายชั่วช้าเร็วซ้ำพูดอย่างนั้นได้ทีเดียวเลยทนี้ในเมื่อตัวเองไม่มีความพร้อมหรือไม่รับก็บอกแต่ที่แรกเพื่อจะให้ไม่แม่งานเสียหายแต่เมื่อรับไปแล้วเนะี่ย ไม่ปฏิบัติตามปล่อยปล่านล้ะเลยนะละั่นะไม่ควรจะมีเพราะว่ามันจะเกิดความเสียหายขึ้นได้ง่ายแต่ถ้าว่าพวกเราไม่รับแต่ทีแรกแก็จบไปหรือว่ารับแล้วก็ทาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในเมื่อรับมาการงานมาแล้ว เนี่ยเราไม่ยุ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนเมื่อเราไปเป็นคราวาต์ก็เหมือนกันถ้าว่าใครพ่อแม่พี่น้องจะใครมอบหมายให้รับในหน้าที่การงานเราก็ต้องรับแต่ถ้าว่าเราไม่พร้อมที่จะรับเราก็ปฏิเสธแต่ทีแรกมันจะไม่ได้เสียหายมันจะไม่ได้ทะเลาะวิวาทกัน แล้วก็มันจะมองกัน ถ, ถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าไม่ไว้ใจตลอดวันตายพอเป็นการหักหลังกันหรือว่าเป็นการที่ไม่ไว้หน้ากันพรธานในพวกเราทุกๆองนะในการนำทำหน้าที่การงานไม่ว่าอยู่ณสถานสถานหน้าไหนอยู่ณนะที่ใดเราต้องนั่นะการทำการทำงานมีความพร้อม เพียงสามัคคีกันรู้จักเก็บสิ่งช่วยๆกันเก็บสิ่งของเพราะว่าเราขนของออกมาใช้เยอะเละเกินข่าวนีที่หลวงพ่อมองเห็นแล้วแต่ที่อย่างไงท้า ม, มีความพร้อมเพียงสามัคคีกัน ใ, ใครจะให้เก็บอันไหนใครจะดูแลอะไรใครจะทำความสะอาดอะไร ไอ้โพเทสันความสะอาดก็ควรจะมีนะต่างกลุ่มกันขึ้นมาเลยเก็บทั้งข้างนอกกระดงกระดาษเก็บให้หมดแล้วเอาไปไว้ที่ไหนฝังดินแต่ไม่ควรจะเผาไฟหรอกถ้าเป็นไปได้เอาจอบขูดลงเป็นหลุมแล้วก็ฝังดินลงไปปิดมิดดีกว่าดีกว่าเผาเผามันควันขโมงของเขีย้ยนควันพลาสติก เป็นพิษเป็นภัยเขาฝังดินไม่ดีกว่าฝังซะพวกถุงพวกอะไรเนี่ยให้ช่วยๆกันเนอะวันพุงนี้อีกสักวันหนึ่งก็จบละเด็กชาวบ้านมาชาวบ้านเขาพร้อมเพียงสามาคีกันดีอยู่ในละแวกนี้ ก่อนหน้าอบอุ่นอยู่เรื่องชาวบ้านช่วยการช่วยงาน่ข้อจงการเราเป็นผู้นําถนาดให้เข้มแข็งอย่าเป็นเลอะแอะนะการที่ทํางานเนี่ยชฉบเขาคุยกันอันนั้นใช้ไม่ได้ไม่เป็นหัวหน้าที่แท้จริงหัวหน้าที่แท้จริงต้องทําอโดดเขาไปทําเลยอย่างท่านหน่อยท่านหน่อยนดูดูนั่นนะ เป็นหัวหน้า ง, งานการทำงานเนี่ยเป็นเจ้าพชวนเขาคุยกันนะมันหมดท่าจริงๆแล้วนะอันนี้ก็เรื่องการเรื่องงานที่เราเริ่มมาจนถึงวันนี้นะแล้วก็ขณะ น, นี้การตาัดเย็บผ้าตะบงการการกะถิน่นก็ได้การกระถินจบลงแล้วสักครู่นี้ เมื่อเร็วตัดเย็บผ้าคำนวณว่าเร็วนะเดี๋ยวนี้ก็เพียงสิบนาฬิกาสามสิบนาทีทุกอย่างก็เรียบร้อยจนกลานกะถินเสร็จเรียบร้อยว่ากลานกะถินคำนี้ก็ท่านจงกลานคล้ายๆกับว่าจงกลานกะถินโดยผ้านี้นะแล้วก็เมื่อเราการอิสงกะถิน ตั้งแต่เดือน11ผ่นไปถึงเดือน4ผ่นเดือน4ผ่นขึ้นหมดเขตฤดูหนาวอันนีสงกรถินก็คือเหมือนกับอันนสงพันธ์าเหมือนกันแต่มันยืดไปอีกแต่อันนีสงพรนธาออกพรนธาแล้วมันถึงเดือนอ12ผ่น เดือน11เพ็ดนไปถึงเดือนส2องเพนไปว่าหมดอ น, นิสงผัพันสาแต่นี้ถ้าว่าอ น, นิสงกระถินนับจากวันเดือนส2องเพนไปถึงเดือนสีน่เพนหมดเขตอ น, นิสงกระถินอ น, นิสงกระถินก็คือให้ใหพวกเราดูฉันปลมปล ะ, ะไปโดยที่ไม่ได้บอกลา แล้วก็ปราศจากธาตไรกิว อ, อพื้นใดพื้นหนึง่งไม่เป็นอาบัตให้พวกเราดูแต่สำหรับพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาท่านถือตรงที่ว่ า, าถือได้ตัวเดียวคือตรงที่ ลืมผ้ากีวรปราดจากรปลายใจกีวรพื้ใดพื้หนึ่งไม่เป็นอาบัติพอเราลืมโอ้อใจเราเราอันในสง์กะถินคุ้มครองอยู่ได้อาศัยแต่ตัวนี้ต่านั้นเองเต่าโตอื่นท่านไม่ได้ใช้ฉันปลัมปละเราก็ฉันมือเดียวอยู่แล้วถ้าไปฉันอย่างนั้นก็นแปลว่าย่อนพอมันย่อนขึ้นมามันตึงยากนะ ทำมันหยอนแล้วมันถึงยากและก็การอยู่ด้วยการไม่ล่ำไม่ลากันมันก็คงจะทำอย่างนั้นไม่ได้การที่มนุษย์พระอยู่ด้วยกันจะไปแบบไม่ลากันไปทำได้ยังไงพาเป็นอย่างนั้นคือมากับแปวไม่ไ ม, ไม่ไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจกัน อันนี้คือในพระวินัยให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษานะอันนิสงพันสารนี่คืออะไรอันนิสงก์กถินนี่คืออะไรไม่ใช่ว่าอันนิสง์เป็นปุญนกุศลเข้าสู่จิตใจไม่ใช่นะเป็นข้อยกเว้นของวินัยอันนิสงฉันปรมพระคณะโภชนะฉันเป็นคณะโภชนะได้ ลักษณะมีหลายอย่างมีห้าหกข้อที่ผมอ่านอ่านดูแต่ว่าผมก็จําไม่ได้แต่ว่าพอได้อยู่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ใส่ใจในจุดนั้นเราก็ไม่คิดว่าจะหย่อนยานหรือปฏิบัติตามถึงพระพุทธเจ้าจะบัญญัติก็จริงทันยึดยึดหยุ่นให้พระไม่เป็นอาบัตในจุดนั้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้จะเอาเอามาเป็น ตัวอย่างได้เพราะว่าไม่จำเป็นเราถือมาโดยสม่ำเสมออยู่แล้วเราจะไปหย่อนขึ้มาทั้งหย่อนทั้งตึงเยักเอยากอยู่ยงั้นเห็นแก่อยู่เห็นแก่กินเห็นแก่ความสะดวกสบายเพียงค่าแค่เล็บดำขนาดนั้นเหรอไม่ใช่ผู้ที่จะหวังพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารแต่ผู้หวังพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารแล้วก็นั่นล่ะ ไม่ไม่น่าจะหวังเอาความสุขเพียงกล็กๆน้อยๆแต่เป็นเสียแต่มันลืมมันลืมผ้ า, าปลาจะจากผ้ามันลืมเอื่อนั้นก็เออเราก็เอาสานิสงกระถิ่นนี่แหละอันนี้ขอให้พวกเราศึกษาในวิทย์ในและก็พร้อมกันก็ให้พระในทุกองค์ ผู้ที่อยู่ดำรงสงศาสนากายตั้ง อ, อกตั้งใจสำหรับสมพบสำหรับผมเองวันพุ่งนี้มาเลอ น, นี้ก็คงจะออกไปธุระวันสองสามวันอันดับแรกก็คงจะไปในงานวันคบรบรอบประมาจยา์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นที่น้องผือนานานเขาได้มนไปแสดงธรรมปีที่แล้วผมก็ไป เราสื่อว่าพี่น้องศรัท ธ, ธาญาติโยมเยอะแล้วก็ถามว่าพวกเราไม่ให้การสนับสนุนบรมะครใูให้ครูบาอาจารย์ต้นตระกูลของพวกเรามันก็อย่างไงอยู่มันมาถึงยุคของเราแล้วเพราะนั้นเราต้องเชิดชูบูชาพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหนื่อยไหมไม่ต้องพูดถึงงานขนาดนี้แล้วแต่ว่า คุณค่าประโยชน์เราต้องคิดถึงจุดนั้นไหวไหมพอไหวในเมื่อพอไหว้าไปแล้วก็อุโบสถก็คิดว่าคงจะลงที่วัดรวมธรรมวันที่สิเบเอ็ดวันที่สิเบเอดใช่ไหมวัดวันอุโบสถวันที่สิเบเอ็ดวัดเป็นวันอุโบสถคงจะลงอุโบสถที่วัดรวมธรรมจากนั้นแล้วก็เจ้าภาพคงจะพาไปดู โรงเรียนอุดอรพิษทีเ่เขาต้องการเด็กไม่พอเด็ก้องเรียนไม่พอผมก็คงจะไปดูที่นั่นอีกเขาจะสร้างตึกสี่ชั้นมั้งตึกสี่ชั้นตึกโรงเรียนอุดอรพิทยานุกูลาจากนั้นเขาคงจะได้เดินลงอกวคงจะลงไปกรุงเทพ เอารถไปเข้าอู่ะไปตรวจสภาพแต่ตาม่จริงผมเองก็ไม่อยากจะไปหรอก <c oughs> เคยปฏิเสธมาไม่รู้กี่ครั้งอถ้าไปตรวจมันก็ต้องหาไปหามก็ต้องเห็นไม่เห็นมากก็ต้องเห็นน้อยเอแต่พอเขาไปหาบดีกว่าลูกพ่อขอให้ไปตรวจเออตรวจก็ตรวจพอเรากับอยู่กับ ศรัทธาญาติโยมทามีอะไรเกิดขึ้นมามันก็ยังไงอยู่เอาตามใจนี่แล้ะผมกคงจะได้ลงไปไปตรวจทุกภาพสรุปแรกก็คือเอารถเขาอู่อไปตรวจเช็ครถว่ามันมีปัญหาอะไรไหมแต่ตินยังไงก็นะเราก็รู้ว่าจุกยาเพียงแต่ยาเอาไว้ ให้เห็นพอ เ, เห็นแล้วก็ยาไว้แต่ถึงยังไงยาขนาดไหนก็เถอะขี่โอทขี่โอทขี่โมขีคุยขนาดไหนก็เถอะร่างกายสังขารมาก็ตาตไหลไปตามสภาพของมันในกฎอนิจังทุกข์ขานาตตาโพน้นใ้สูก็จอดมองมันอยู่ตลอดเวลา อีกวัดหนึ่งข้างหน้าไม่รู้ว่าวันไหนละอได้ยินแต่ครูบาอาจารย์องนั้นป่วยองคนี้ป่วยเออหลวงพ่อบอกเมื่อวานวันก่อนต่อไปคงจะได้ยินหลวงพ่ออินถวายนะไม่เป็นอย่างหนึ่งก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งล่ะอแต่เราได้ยินครูบาอาจารย์องนั้นอง์นี้อชีวิตของเราหลวงพ่อเนี่ยไหลเข้าไปเรื่อยๆเหมือนกัน ไม่รู้ว่าวันไหนล่ะหลวงพ่อเองเกิดนั่นแหะพิจารณาอยู่เสมอไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้ว่าวันไหนมันจะต้องถึงจุดจบของมันถึงจะจบก็จบแต่ว่าจะไงเราเกิดมาตายแต่ก่อนที่จะถึงจุดนั้นเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาท สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีเราจะไม่เป็นขยะไม่เป็นเพชรเป็นภัยต่อชุมชนสังคมเราจะให้เป็นคุณให้จะเราจะให้เป็นบุญเป็นคุณต่อชุมชนสังคมให้มากที่สุดก่อนที่จะจากไปแต่เราก็ไม่ได้ทวงบุญทวงคุณอะไรทั้งหมดเหมือนกันในเมื่อทําไปแล้วก็คือแล้ว เมื่อเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินเราได้อยู่ได้กินได้ใช้ได้บำเพ็ญคุณงามความดีได้สังสมบุญกุศลเมื่อนั้นเราก็เราก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมตามอัตภาพไม่ควรจะให้สังคมเดือดร้อนเป็นทุกข์หรือว่าจเถอาไปทําให้สังคมเสื่อมเสียเสียหายไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เท่านั้นล่ะอ่า เวลาให้พวกเราทุกๆท่านนะพระลูกหลานคณะสัตย์ไทยลูกหลานกูบาทุกองนะให้ประกอบคุณงามความดีด่าว่าไปเป็นฆราวาสก็เป็นฆราวาสที่ดีถ้าอยู่เป็นพระก็เป็นพระที่ดีฮะอยู่ในสถานที่ใดให้เป็นคนดีพระดีแต่ละคิดดีทดําดีพูดดีอย่างที่หพ่อได้ย้ําอยู่เสมอนะ วันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะแล้วก็เลิกกัน<อ>่างคนก็ต่างเหนื่อยพอแล้ว